พอจะให้มันนั่งเฉยๆมันกไม่เรามันก็จะกระโดดไปนู่กระโดดมานี่แต่ถ้าเรามีเชือกปูมันไว้มันก็กระโดดไม่ได้เราเอาเชือกมาปูกคอมันไว้มัดไว้กับเสามันก็จะขยับไม่ได้ถ้าเรามีพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันคิดไม่ได้เดี๋ยวมันก็เร่งมันก็ส่ง สมบก็เรียกว่าเป็นสมาธิสงบแล้วก็มีความสุขความสุขที่เกิดจากความสมบดีกว่าความสุขทั้งปวงมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ไม่ต้องมีเงินก็ได้ทุกวันนี้ต้องมีเงินเพราะไม่มีความสุขต้องหาเงินมาซื้อความสุขกันเห็นซื้อลูปเสียงกลิ่นรถันไปเที่ยวกัน ซือความสุขต้องมีเงินเพราะใจไม่มีความสุขถ้าใจมีความสุขใจก็ไม่อยากเที่ยวเที่ยวมันเหนือยกว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องใช้เงนินไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินเมื่อไม่หาเงินก็มีเวลามาทำใจให้สงบมากขึ้นตอนนี้เริ่มต้นก็ทำได้เฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ วันจันทร์ก็ต้องไปทํางานวันจันทร์สุดก็ต้องไปทํางานแต่ถ้าเราทําจนมีพามสมบูแล้วเราก็ไม่ต้องไปทํางานก็ได้ถ้าทำก็ทําเฉพาะพ อ, พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก็พอแต่ไม่ต้องมีเงินไปเที่ยวไม่ต้องมีเงินไ ป, นไปซื้อข้าวของต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์เต็มตู้ล้นตู้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ข อ, ของเท้าไม่รู้กี่กู่กับเป้าไม่รู้กี่ใบซื้อมาทําไมซื้อมาก็สุบเดี๋ยวเดีย ว, ยวตอนที่เห็นก็อยากได้พอได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็เหมือนเดิมอยากได้นุ่นอย่างได้นี่ต่อพรใจไม่มีความสุขมันต้องมาสดรื่องสมาธินื่องสมาธิให้ใจมันนิ่งใจ น, นิ่งแล้วก็จะมีความสุข นั่งนับ่อยๆพอมันพอมันไม่นิ่งก็กลับมานั่งนั่งทั้งวันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินมันาเดินได้มีสติเข้าดูอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเดินหายเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ให้มันสงบใหมต่อไปมันก็จะสงบทั้งวันต่อไปมันก็ไม่ต้องไปหาความสุขจาก สิ่งต่างๆถ้าจะอยู่คนเดียวได้ไม่หิวไ ม, ไม่เหงาตอนนี้ใจไม่สงบมันเหงาเวลาอยู่คนเดียวอยากจะมีเพื่อนถ้ามันสงบแล้วมันลำคลายอยู่กับใครน้่มันลำคลายเรื่องมากอยู่จีบเก็บพูด ว, ว่ายู่อยู่คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความสงบก็อยู่คนเดียวไม่ได้ ก็อยากจะมีเพื่อนคุยมีเพื่อนเล่นปัญหาของเราอยู่ที่ใจไม่มีความสงบใจไม่มีความสมบงบก็ไม่มีสติควบคุมใจกุญแจสําคัญก็คือการมีสติต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตายก็ตั้งสติแล้วตั้ง จะตั้งไว้กับอะไรพูดโัวก็พูดโทรไปเลยตั้งไว้กับร่างกายก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลัางอยู่ในท่าไหนกําลังนอนกําลังจะลุกกําลังจะยืนก็เฝ้ามันไปถุกทา่ากําลังเดินกําลังล้างหน้าล่างตาหรืเป้าหรือผกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวเอาดูมันไปอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงคนนะั้นคนนีเนะ้เรื่องนั้นเรื่นอกจากเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดวันนี้ ต้องไปทํางานไปพบกับใครไปทําอะไรพิดเท่าที่จําเป็น <c oughs> แต่อย่ามาคิดเนึ่งนั้นเนึ่งนี้คนนั่นคนนี้ให้เสียเวลาถ้าอยากจะทําใจให้สงดก็ต้องมีเวลาอยู่คนเดียวมากๆถ้าต้องไปทํางานเดี๋ยวมันก็ต้องพบปะคนก็ต้องพูดคุยกันก็ต้องคิคงคด ทำงาน ก, ก็ต้องคิดเดี๋ยวมันก็ลืมสติไปมันคิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเทิรนเทิร์แล้วมันก็คิดเลยเทิร์นไปคิดอยากจะกินนู่นกินนี่เดิมนั่นเดิมนี่มันจะคิดไปตามนิสัยเดิมที่มันเคยคิดมันจะใช้ท้ารูปเสียงกขีดรถถ้ามันหยุดมันก็จะ ก็จะให้เราไปคิดหารูปเสียงกลิ่นแล้วหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ได้มาก็ดีใจเราเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่มาหาใหม่เป็นอย่างนี้ไปอย่างเนี้ยเป็นอย่างที่เป็นมาอยู่เนี้ยพอเสียสิ่งที่ได้มาก็เสียใจเสียแฟนใจก็น้องผมน้องค่ะเข้าวัดส 3, 000, 7, 000, ักสามวันเจ็ดวันรักษาใจใ ห, หน่อย พอหายแล้วก็กลับไปใหม่กลับไปหาใหม่หรือว่าเสียอีกก็ใจไม่มีความสุขในตัวเองใจเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกจากคนนั้นหาจากตรงนี้หาจากสรงนั้นหาจากตร น, นีนหาานนน้หามาแล้วเวลาเสียไปก็เสียใจนด้นมาแล้วเวลาเสียก็เสียใจ เวลาเขาเปลี่ยนไปก็เสียใจแทนมาใหม่ๆก็ดีเราอยู่ไปนานๆาก็ชักจะไม่ดีแล้ันนี่คือสิ่งเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุ ก, ทกทอย่างไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่องๆมีการเสือ่อมอยากดีก็เสื่อมันซื้อของมาใหม่ๆก็ดีใช้ไปใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็เริ่มเสีย ถ้าตามไดยังหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่ต่างนั้นก็จะต้องเจอความทุกข์จากสียงต่างๆเพราะสิ่งต่างๆก็ๆจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่หามาแลเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปหมดไปก็าหาใหม่หามาไม่รู้กี่ร้านร้านชาติแล้วร่างกายนี้ก็หาใหม่อยู่เรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายนี้แก่เจ็บตายก็ไปหาร่างใหม่ก่อ นี่เจหมาท่านอย่างเงี้ยถ้าตาบได้ยังไม่มีความสุขในใจในตัวเองก็ต้องไปหาความสุขข้างนอกถ้ามีความสุขข้างในแล้วก็จะหยุดหาความสุขข้างนอกได้ไต้องพยายามทำใจให้สนบเราจะได้ความสุขใจจะสนบก็ต้องมีสติเจ้ดจะเจริญสติได้ก็ต้องรักษาสีต้องอยู่แบบ นักบวชอยู่คนเดียวไม่ทำงานได้ไดีทำงานเจ็บนั่นไม่ก็ลองหยุดทำงานสักปีสองปีแล้วอยู่คนเดียวปฏิบัติไปให้เต็มที่มันจะถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติแบบวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันไม่ค่อยได้ผลต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ทั้งวันทั้งคืนยกเล้นเวลาหลับนอนฝึก ส, สติไปเรื่อยๆดึงใจไว้เรื่อยๆให้มันไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับท่อสมองเรือถ้าเรือไม่ท่อสมองมันก็จะไหลไปตามกระแสะน้ำถ้าท่อสมองเรือแล้วต่อต่อเป็นกระแสะน้ำมันจะเชี่ยวยังไงเรือมันก็ไม่ไหลไปกระแสะความคิดของเราก็เหมือนกระแสะน้ มันมาตลอดจะคิดเรื่องนั้นคิดอย่างนี้นคิดเรืางนาง น, นเสร็จก็คิดเร่องนี้ต่อคิดเรงนี้ก็ต่อเรื่องนั้นคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วก็มีความอยากเพราะอยากก็ทุกขพไม่มีเพไม่สามารถทําใจทําตามใจอยากได้ถ้าทําตามใจอยากได้ก็ดีใจไปเดียวเดียวเดี๋ยวก็ทําต้องทําใหม่ ทำไปจนกว่าจะไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำก็ทุกข์ถ้าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสาความคิดมันม่จะพาไปหาความอยากต่างๆหาถ้าหลก็ไม่อิ่มไม่พอล้าพอไปสูญเสียสิ่งที่ได้มันก็เสียเสียใจร้องโมร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเจอใไปเจอไปสิ่งที่ไม่อยากจะเจอก็ ก็เดี๋ยวเาเนี่าายดยววันหึ่งมาได้ฟพราว่าบ้านบ้านจัดสรรนั่นะแล้วมันก็ติดกันบ้านเขาไปบ้านได้บ้านนี้ก็โสูบกเลยที่มีสายตามบากยที่ชาวผมบ้านา ก, ก็เะิ น, นอนไม่อยากให้เขาใส่พอไปบอกเขามันก็มันก็ยิ่งใจอ่นี ว่ามันมันก็กลัมันก็มาว่าเราเห่เครียดอหญ่ต้องทำใจท่านก็ไม่ได้หอเขแล้วเราจะทำํำเพียงว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเรียกว่าเป็นการทดสอบจิตใจเราจิตใจเราปล่อยวางได้หรือไม่อย่ากปรยากได้หรือไม่อ ย, า, อยากปอะหยัดให้ก็ไม่ยนอนก้นบุาหลีเข้ามาในบ้านเราได้ ที่ว่าดีแล้วก็ามายืนก้อนหินมาใส่ <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องทนไปแจ้งความหรือเขามีเรื่องมีราวมันจะแจ้งมันเยี่ยมันก็มาแจ้งจับหน่อนย แ, แล้วม <c oughs> ันเยิงแกล้งเรามากขึ้นจำเคยเด็กเดินเดินมันเอาอะไรเอาปืนมายิงใส่บ้านเรามันรนอนจะใครจะไปรู้ว่าเป็นไทร ต้องอดทนนะนะหวังทาไปถือว่าเป็นกรรมของลราถ้าทนอยู่ไม่ได้ก็ไปหาบ้านใหม่อไอ้เด็กก็หนีเสียปากจราเข้หนีเสียเด็กก็ไปเจอจาราเข้ถ้าไม่หนีได้ดีที่สุดทําใจคิดว่าดีแนละ้วมันไม่มันไม่เผาบ้านเราเพียงแต่โยนก้นบุหรี่ใส่บ้านเรา ถ้าไม่มีความสุขแล้วมันจะหยุดไม่ ไ, ได้มันจะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพระเจ้อะไรไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปเพราจะอะไรที่ชอบก็อยากจะให้มันอยู่ไป น, น, นานๆทุกอย่างมันก็ไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาผีเรื่อง น, นี้เดี๋ยวก็ไปเจอเรื่องนั้ น, น, น อยกับเรื่องนี้หัดทำใจถ้าอยู่กัเรื่องนี้ได้ต่อไปก็อยู่ได้ทุกเรื่องใอรจะทำอะไรเขปล่อยมาทำไปจากมากก็ที่ว่าแค่ตายเกิมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแต่ถ้าตายแบบใจสงบนี้ก็ตายอย่างสบายตายแบบไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าอยู่แบบทุกตายแบบทุกก็ต้องกลับมาเกิดก็ยังมีความอยาง อยู่แบบไม่มีความอยากตายแบบไม่มีความอยากเขาไม่ต้อ ง, งอทำมาเกิดใครจะทำล้วก็ปล่อยมันทำไปหร ว, ว่าเป็นกรรมของใช้กรรมของเราไปก็แล้วกันชาติก่อนเคยคงไปทำใครเข้ามาก่อนถ้าตินี้ไรต้องมาให้เขาทำเราบ้างเรื่องของธรรมมันมีทค่เนี้ยให้ฝึกให้ใจเราอยู่เฉย ให้เป็นผู้รู้อย่าไปเป็นตัวตนให้เป็นผู้รู้รู้เฉยๆรับรู้อย่างเดียวไม่ตอบโต้แล้วใจจะสงบใจจะเย็นดำเ่านไปสุถ้าเป็นตัวตนขึ้นมาก็กิดความอยากขึ้นมาแต่ความชอบแต่ความไม่ชอบขึ้นมา ถ้ารู้เฉยๆมันจะมันไม่มีความชอบและไม่ชอบชอบก็รู้เฉยๆไม่ชอบก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรถ้ามันสงบจริงๆมันเฉยได้จริงๆมันไม่เดือดร้อนใจจะทำอะไรใรจะพูดอะไรกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเรื่องใหญ่ัวนี้คือเรื่องใจเรามันไม่นิ่ง ใจมันเดือดร้อนพอเห็นอะไรเข้าได้ยนเข้าก็เดือดร้อนขึ้นมาเใจม่นิ่งถ้าใจเนิ่งเราจะไม่เดือดร้อนไม่เฉยเฉยรับรู้ไปว่าเป็นอย่างนี้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้มีรักมีช่างมีดีมีช่มมมชวมีสุขมีชื่อ มันก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะดีก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะชั่วก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะสุกก็ห้ามมันไม่ได้เวลาจะทุกข์ก็ห้ามมันไม่ได้ธรรมชาตเฉยๆแล้วมันรับได้ทุกอย่างดีก็ได้ชั่วก็ได้สุกก็ได้ทุกข์ก็ได้ผิวก็ได้อิ่มก็ได้ พอดีแบบต้องอยู่กับความหิวได้แล้วเราก็อดอาหารดูรักษาวันดูเดี๋ยวมันก็ชินเองเดี๋ยวต่อไปมันก็อยู่กับความหินไะไม่เดือดร้อนพูดที่หิวเขาไม่เดือดร้อนร่างกายไม่เดือดร้อน้นที่เดือดร้อนก็คือใจร่างกายแม่มกินรักษาวันแั้วไม่ไบวดตัวที่บวดก็คือใจตัวกิเหลสตัวความอยากอยากกินเพรอยากกินเงื่ออะไรทุกอย่าง หิวใหญ่เลยถ้าไม่อยากมันไม่หิวอะ่ะมันแค่เฉยๆแต่ไม่มีสติก็ทำไม่ได้ไม่มีความสงบทำเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาคิดแต่เรื่องอาหารในท้องมันมาคิดแล้วก็หิวปวดท้องเลยน้ำย่อยไหลออกมากัดกระเพาะ ถ้าอดอาหารต้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานคิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องเวลาเจนออกมาหน้ากินไหคิดถึงเวลามันถ่ายออกมาหน้ากินมมันก็อาหารยั้งนั้นเหมือนกันเวลาเคี้ยว อ, อยู่ในปากนี่อร่อยนะลางขายมาดูหน้าตาหน้งตักเข้าไปกิ้งใหม่เลยเก่อนจะกินก็ถ้วยน้ำลายใส่ก่อน แล้วก็ต้องเรี๋ยวก็ต้องไปผสมกั น, น้ําลายเราไม่ใช่นะพอถุยมันใสไปน้นจางก่อนนะแล้วค่อยตัดเข้าไปกินนะคือวิธีทําให้ไม่อยากกินไถ้าอยากกินก็ต้องถุยน้ําลายใสลงไป<อ>ถุยตากเข้าปากคิ้วเคี้ยวแล้วก็คายมันออกมาแล้วก็สักเข้าไปกินใหมน่นะมันจะไม่่ิวอะ่ะมันก็จะอดข้าวนะ ทุกอย่างมีวิธีแก่ทาไมมาเจอ พ, พ่อ พ, พุทธเจ้าจะไม่รู้จักวิธีแก้พระเจ้ามีฉลาดวิธีแก้ปัญหาต่างๆปัญหามันเกิดจากตัวเราเราก็ต้องแก้ในตัวเราเราชอบไปมองในด้านดีไม่ยอมมองในด้านไม่ไม่ดีก็เลยหลงติดใจสิ่งที่ดีพอเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เอา เวลาคิดถึงสิ่งที่ดีต้องคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีฉันคิดว่าจะมีแฟนมัมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยการตีกันตบตีกันดูที่มันจะมีความสุขบางคนนี่เอาถ่ายรูปให้ดูหน้าบูดหน้าเบี้ยวเขียวช้ำจะไปฟ้อ ง, องำตำรวจตำรวจก็ไม่รู้หน่อยไหนี่เวลามีความสุขไม่ไปฟ้องหำรวจ เวลาตีกันแล้วไปฟ้องตำรวจทำไมยุะมะ่งเขา บ, บาๆให้เขาทํางานอย่างอื่นีกว่าเรามาแก้ปัญหาของเราดีกว่าอย่าไปให้ตำรวจมาแก้ให้เราเราโง่เองเวลาอยากได้อะไรเห็นดีไปหมดใช่ไหมในส่วนที่ไม่ดีไม่ยอมคิดเลยพอไปพอได้มาแล้วก็เสียใจถ้าคิดซะาน่อยมันก็จะได้ไม่อยากได้ จะอยู่คนเดียวดีกว่าสบายกว่าอยู่คนเดียวก็เป็นเจ้านายตัวเองอยู่กับคนอื่งเขาก็ต้องมาเป็นเจ้านายนแล้แต่ทำอะไรก็ต้องขออนุญาตเขาต้องบอกเข่ไปทำคนเดียวไม่ได้เวลาอยู่คนเดียวนี่จะทำอะไรไม่ต้องบอกใครน ะ, ะกินจะนอนจะ เล่นจะเที่ยวจะทำอะไรไปกับใครที่ไหนอยู่ที่ไหนกับใครไม่ต้องไปบอกใครพอไปอยู่ไปคนกลายเป็นธาธนะตุเขาเลยไปไหนก็ต้องขออนุ ญ, ญาตต้องบอกเพราะไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้อยู่คนเดียวสบายสังย่ญญองเยอะแยะกลับอยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ในกอง ออมาฝึกทำใจให้สงบแล้วอยู่คนเดียได้สบายไม่สนใจใครจะดีใครจะชัว่วเราหลงเขาเราไม่สามารถทำให้เราดีเราชั่วได้ไม่มีใครทำให้เราสุขเราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองไปหลงที่ว่าเขาทำให้เราสุขได้พอได้เขาก็สุขแล้วพอเขาเป็นอะไรไปก็กลายเป็นทุกข์ไปพยายามมาฝึก ปฏิบัติธรรมกันแต่เพือปฏิบัติธรรมก็ต้องตัดความสุขทางร่างกายไปคือสีแปดสีแปดนี่เป็นวิธีตัดความสุขทางร่างกายถ้าเราถือสีแปดเดียวมันก็ไปนะเดียมันก็ไปหาความสุขทางร่างกายแทนที่จะมาเดินทรงคงนะมมามาเจริญสติมันก็ไม่เอาทำได้แป๊บเดียวมันก็เบือ่ออไปดูละครเนี่ยนะ ดูละครเป็นชั่วโมงไม่ดีห้พูดโทพูดโทสิบนาทีก็เบื่อแนละ้นะไปไหนไม่ได้ต้องมีความแน่วแน่ต้องมีความตั้งใจมันจะต้องทำแมบนีให้ได้มาตั้งใจแล้วมันก็จะขยันทำํำทำไปเรื่อยๆพูดโทไปเรื่อยพูดโทไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เหมือนหัดขี่จักรยานนะ ขีใหม่มันก็ล้มหรือแถ้าพยายามขัดขี่ไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวมันก็ขี่ได้ใหม่หม่พุทโทได้สองสามครัง้งก็ล้มล้มพยายามพุโทโธรไปเรื่อยๆเหนื่อยต่อไปมันก็ทําได้งานแล้วสบายใจก็เย็นเราจะอยากทำเพอได้คนน้าที่ไม่ติดใจ อยากทำไปเรื่อยๆอยากทำให้มากขึ้นถ้าไม่ได้ผลมันก็เท่าท่าแท้ทำเท่าแท้ก็อย่ากมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นต้องโทษตัวเราว่าเราไม่ขยันทําพุดโทษพุดโทษเราไม่ขยันตั้งสติผลก็เลยไม่เกิดพอไม่เกิดก็เลยเกิดความท่าแท้เดือหนาขึ้นมาต้องแก้โดยการพยายาม จเจริญสติไปเรื่อยๆอย่าท้อท้อก็ได้แต่อย่าถอยอย่าเลิกว่ายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องต้องเจอกันทุกคนแต่ถ้าไม่ท้อไม่ถอยไม่เลิกเดี๋ยวมันก็ได้เองทำไปทำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ เดียวก็ถึงวะถึงจุดหมายปลาทางถ้าหยุดเมื่อไหร่ไม่เดินเ ม, มื่อไหร่นี่ก็ไปไม่ถึงการปฏิบัติมันก็มีแค่ตรงจุดเนี้ยุดที่เราจะต้องพยายามทำไปให้ได้ผลจะได้มากได้น้อยอย่าไปคาดอย่าไปหมายเดี๋ยวมันจะท้อแท้ทํานิดเดียวมันก็จะพด ว, ว่าทํามาเท่าเยอะแล้วไม่เห็นได้ผลเลย ผลมันก็อยู่ที่เหตุถ้าเหตุมันเยอะผลมันก็เยอะเองเหตุมันน้อยผลมันก็น้อยโดยเหตุมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกมันก็ไม่มีผลเหมือนกันมันก็ต้องพยายามท่านทำลปเรื่อยมีอะไรอยากจะถามไหม ลงข่าวมาคบะมา้ามาก็ผมสบายใจ เ, เป็นบอกว่าปกติจะโทรมาถ้าช่วงเช้าๆจะโทรมาทุกทุกสองวันเละตอนนี้อาทิตย์เป็นหายไปแสดงว่าโล่งแล้วคะ่ะ <laughs> แล้วก็พอบอกว่าที่แรกเหมือนกับได้ยินที่พูอาจารย์บอกไปคะ่ะว่าต้องด้านทนอยู่เลยะคะ่ะ เหมือนกับหัวเลาะทาน้ำตายากีนเน่เลยมันไม่ยอมันอยากจะเทียบ ม, มันอยากจะไปนู่น ม, มานี่แล้วก็บวใหม่ๆนี่ต้องลหลักเลยตาอไปตัวอยากไปนู่นมานี่ก่อนเนั้นถ้าทำปล่อยให้มันลากออกไปมันก็จะไม่มีวันหยู่พระท่านบางังคับให้อยู่ห้าปีกับครูบาอาจารย์ไปอยู่กันล้งตาท่านก็บอกไม่ต้องไปไหนห้าปี พออยู่ไปนานๆก้อนจินมันก็จะเนื่งลงเนื่งมากขึ้นนื่งมากขึ้นตามอยากที่จะไปเนื่งมานี่มันถูกถูกการขืนมันก็มันไม่ตายหมดแต่มันก็แรงของมันมันก็จะเบาลงไปที่แรกพุงลังเลอาจารย์คะพอถูกพอเหมือนถูกว่าถ้ายังไงก็ให้ไปอะไรเงี้ยกังวลว่าถ้าถูกไล่อีกก็จะเก็บผ้ากลับมาแล้วอะไรอย่างเงสองเขาไม่ต้องไปหรอกถ้าจะไล่เรา ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราเราอยู่เขาได้ระอยู่ก็อยู่ไปด้านอยู่ไปแล้วก็อยากได้ไปนี้เขาไปเรีกยกตำรวจม า, า, าราคาคอไปแล้วมัก็พูดเรียนทาสอบจิตใจเราหรือ ว, ว่าจะทนอยู่เขาได้หเปล่าเพราะว่าทําอะไรไม่ผิดเขา่าต้องทําอะไรไม่ถูกเขาก็ต้องบอกเขาก็ต้องว่าถ้าเกงใจเรียนมันก็เสียหาย เราก็ต้องทดสอบจุตใจว่าจะทนรับกับแรงเขียดทานหน้าหาคิดว่าอยู่กับเขาแล้วนั่ได้ไประโยชน์ก็ทนอยู่ไปอยู่เฝึกเราฝึกให้เราแข็งแก่งถ้าไม่มีมารบาบรมีบ่กเกิด ขันติบาลมีเข้าใมถ้ามีมาณบัณฑนี้ถ้าไม่มีขันติจะล้มระเนระนาดเข้าใจไหมนั่นมันต้องมีมามาทํำบานทีทําให้เราต้องสร้างบาลมนะีมาคุ้มครองสร้างขันติขึ้นมาให้มีทุกข์ก็ปัญญาไม่เกิดถ้าอยากจะฉลาดก็ต้องเจอทุกข์เจอทุกข์แล้วมันจะหาวิธีแก้ ปัญญานี่คนอื่นให้เราไม่ได้คนอื่นสอนปัญญาก็เป็นเป็นเป็นการบอกเฉยๆความรู้ภายนอกแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองเขาที่ได้ยินมาเป็นแนวทางแะ่เขาก็ต้องสร้างขึ้นมาเองถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่ต้องแก้ปัญหา ถ้าไม่มีข้อสอบมันก็ไม่ต้องทําข้อสอบมันต้องมีข้อสอบมันถึงจะต้องคิดว่าจะทําข้อสอบนี้ยังไงดีเราคิดมันก็เป็นปัญญาถ้าคิดแล้วทาข้อสอบได้มันก็เป็นปัญญาเรามีความทุกข์เราก็แก้มันได้ดับความทุกข์ภายในใจได้มันก็เป็นปัญญารู้ล้กตบอไปนี้ความทุกข์ข้อนี้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นกับเราได้เราแก้มันด้วยปัญญา การอยากจะได้ปัญญาต้องต้องเข้าหาทุกเข้าหาสุกก็ได้กิเลสได้ความหลงได้ความยึดติดได้ความอยากมันจะสุกไป น, นานาถ้าไม่มีอะไรมันจะสุกไป น, นานๆ ม, มันก็เปลี่ยนไปอา จ, จารย์จะากับมาถามค่ะคืออย่างงทีบางทีความคิด ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นจิตที่เป็นอักุศรความคิดที่เป็นอกุศรเช่นประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนีไม่อยากให้มันเกิดมันชอบเกิดยิงยังไม่อยากมัก็อยากมันก็นไม่ชอบเลยไม่รู้เฉยๆว่าเรามันเรวชั่วขึ้นรื่งนี้ทาไมแต่ <c oughs> ไปอยากมันดามนันเถอะกลัวกลัวจะบาปด้วยก็เลยแบบ <c oughs> เอ๊คิดมาทำไมคิดมาทำไมก็ <c oughs> ดามันเถอะมึงมึงนี่เรวแล้วเกิดมาคิดเรื่องนี้ทําไม่ไปอยากให้มันหายหยิบหยางมันก็หยิ มันก็ยิ่งมาอ่ายิ่งยุ่ยิ่งห้ามยิ่งยุ่ให้รู้ว่ามันเป็นข้อบกพร่องของความคิดของเรา<ด>ที่เราจะต้องใช้เหตุผล ม, มาแก้เออเราก็ต้องอถามว่าคิดไปแล้วได้อะไรคิดเปแล้วมันทำให้เราถูกพ้นหรือเปล่า อย่าไปเสียเวลาคิด uh huh. เรื่องของเขา uh huh. เขาจะดีเขาจะไม่ดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา uh huh. คิดอย่างนี้เขาดีก็ไม่ได้ทำให้เราดีเขาเร็วก็ไม่ได้ทำให้เราเร็วความดีความเร็วของเราอยู่ที่ความคิดของเราคิดไปในทางเร็วมันก็เร็วที่ไปในทางดีก็ดีทางดีก็คิดแบบนี้ คิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเขาเป็นอนัตาอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเขาเลยว่าเรื่องของเขาเขาดีก็เรื่องของเขาในตัวเขาก็อาจจะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีคนกันไปนี่ละอาจจะแปลว่าถ้าคิดว่าเขาดีไปหมด พอไปได้เห็นได้ยินยได้ฟังว่าเขาไม่ดีขึ้นมาก็ก็จะคิดไปดีกับเขาก็ได้แต่อย่าไปคิดเลยเรื่องของคนอื่นคิดว่าเขาเป็นอนิจจังทุกข์เขหน้าตาก็จบเขาไม่เที่ยงเขาเ ก, เกิดแก่เจ็บตายหน้าตาเขาเป็นอะไรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ ต้งใช้เหตุผลมันก็อาจจะหยุดคิดได้เราจะดูเราจะดูความชั่วก็ดูความชั่วของเราดีกว่าคิดคิดไม่ดีกับเรื่องของเราดีกว่าเราจะได้แก้ได้ว่าเรานี่บกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แก้ไขเราจะได้แก้ไข ธรรมดานั ก, กว่าท่านบอกว่าเราคนเราชอบมองตัวเราว่าดีไปหมดความดีมีเท่าผงเท่าดีก็คิดว่าเท่าเท่ากองหูเขาความเชื่อของตนที่มีมากน้อยมากน้อยขนาดไหนก็คิดว่าเป็นเพียงผงชูดีหนุนทังทั้งเรื่องของคนอื่นความดีของเขาจะมากมายขนาดก็เห็นว่าเป็นผงชูดี ความคิดของเขาแม้จะมีนิดเดียวก็เห็นเป็นตองของเขา ม, มันต้องพยายามมองความไม่ดีของเราอย่าไปมองความไม่ดีของคนอื่นมองเพราะเห็นความไม่ดีของคนอื่นก็ไม่เปิดไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเนอกจากเอามาเป็นคติเตือนใจแล้วว่าเออเราอย่าเป็นเหมือนเขานะแล้วถ้าเราเป็นก็พยายามแก้เสีย ลองดูตัวเราว่าเขาช่วยอย่เงี้ยแล้วเราช่วเหมือนเขาลูกศรถ้าเราช่วเหมือนเขาแล้วก็มาแก้เดี๋ยาแก้ที่ตัวเราดูคนอื่นเราแก้ไม่ได้เราแก้ได้ที่ตัวเราเท่านี้คนอื่นเขาก็าต้องแก้ตัวเขาเองทำได้อย่างน้า ก, ก็บอกเขาถ้าเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหา แต่ถ้าเาไม่เป็นลูกศิลป์ลูกหาเลยบอกเขาเดียวเขาก็เปี้ยงกลับมามพยายามหยุดความคิดทิ้งดีกว่าความคิดของเรา99เปอร์เซ็นเป็นอะไคิดของทางกีเฬาน้อยครั้งที่จะคิดเป็นในทางธรรมหยุดคิดแล้วก็พยายามฟังความคิดของ สองคนที่ไม่มีกเกลเอทดีกว่าฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศน์นี้ท่านกาลังสแสดงแนวแนวความคิดของท่านให้เราฟังว่าท่านคิดแบบนี้คิดแบบนี้เราฟังบ่อยๆชอบเดี๋ยวามาันก็มันก็จะฝังเข้าไปติดเป็นนิสยัยเราต่อไปลราก็จะคิดเหมือนท่านคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลเม่ได้คิดด้วยอารมณ์ คิดด้วยความผิดถูกดีชั่วอันนี้เราต้องศึกษาว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่ว้าการฟังธรรมนี่แหละเราจะได้รับรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเราก็จะได้มามีมาตรฐานมาวัดความคิดของเราว่าเรากำลังคิดคิดถูกคิดดีคืดชั่วคิดผิดเราก็จะได้หยุดมันเสียคิดถูกแล้วคิดต่อไป คิดให้มันมากขึ้นแล้วต่อไปเราวก็จะคิดด้วยเหตุด้วยแต่ถ้าตอนนี้ควบคุมความคิดไม่ได้ก็ต้องหยุดมันก่อนก่อนที่เราจะดึงมันมาคิดในทางที่ถูกได้เราต้องหยุดมันแม้มันคิดไปในทางที่ผิด ก, ก่อ น, นต้องทำสมาธิทาใจให้สงบก่อน อยู่ทางคิดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นความคิดที่ไม่ดีนั่นเองพออยู่มันได้แนละ้วพอออกจากสมาธิมาทุนนี้ก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ถูกที่ดีได้สนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเองคิดอย่างนี้ไหมคิดอยู่บ่อยๆหรือเล่าค่ะใแล้วทำไมยังอยู่กับมันนะ <c oughs> อ่ะแต่บางทีก็เผลอท่านันไม่เที่ยงกาอยู่กับมันทําไมมันทุกข์ก็อยู่กับมันทําไม ไม่ได้คิดต่อดเวลาบางทีคิดถึงความดีก็ก็ทุกเหมือนกันแบบบางทีจะมาทันไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโกล์กัวายเลยเอ๊ะจะไปทำดีทาไมทุกเออต้องต้องค่อยค่อยคิดท่านอาจารย์ค่ะเออยังบอยสัท Google หรือ Facebook ตอนนี้เขาก็มีสร้างห้องทำสมาธิให้พันงานเพื่อให้ คิดงานได้ซึ่งมันมันเป็นเกิดปันญาม น, นเป็นกิเลสมันไม่เลสมันได้<ช>มันก็ใช้เอาเอาธรรมะม า, มาเป็เครื่องมือของกิ เ, เขาไม่ได้คิดถึงการเอาเอ า, เอาสมาธิมาดับทุกข์มาดับความอยากเขากับเอาสมาธิมาแสงความอย า, อากก็มันก็เป็นเครื่องมือที่เ อ, เอาไปใช้ได้ทั้งในทางธรรมและทางเล่ห์ แต่ถ้าใช้ไปในทางโลกมันก็จะพาไปสู่ความทุกข์ก็ได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวก็นำหมดมาได้มาหาเงินมาได้มากๆเท่าไหร่เดี๋ยวตายไปก็มันก็หมดไปรอาจารย์ก็ห า, ากับเดินถาำตอนเดินจงกรมเจ้าค่ะถ้าตรงหัวทางจงกรมมันมักจะฟุ้งสัน้นเราต้องหยุดก่อนแล้วค่อย ภาวานาต่อแล้วค่อยเดินหรืจะพาหรื อ, อยังไงดีจะับางทีเดินไปเดินกลับเนี่ยลืมไปร้อยเป็นร้อยเรื่องก็ต้องดึงใจกลับมานะ้วก็ บ, บริกรร ม, ม<า>ทับไปกินถ้าเราหยุดบริกรรมมันก็ไปเท็เรื่อง น, นั้นต่างๆนานาได้ถ้ามันพู้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติแนละ้ว ก็ตั้งสติใหม่เริ่มต้นใหม่พุโทโธพุโทโธนพอพุโทโธพุโธไปมันก็หายฟุ้งพออยุดพุดโทโธมันก็ฟุ้งอีกหนึ่งมันเป็นคู่ต่อสู้กันถ้าเราโชกเขาเขาก็ลม้มถ้าเราปล่อยเขาโชคเราเราก็ล้ม้มูยเวลาขึ้นเวทีเขาต้อง่อยป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้โชคเราได้ เราต้องคอยโชคเขาให้ได้ตองทำไปเรื่อยๆยิ่งทําททำไปแล้วมันก็จะเข้าใจผิดถูกตรงไหนแก้ไขยอย่างไร mm hmm. ประสบะการณ์มันจะมันจะสอนเราไปในตัวข mm hmm. อให้มีความเพียรนะมีความพยายัมที่จะปฏิบัติ แต่จิตตปวดกติมันจะไม่ชอบปฏิบัติมันชอบทะเลทลายเราปฏิบัติได้หน่อยทะเลทลายไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะ อ, อยู่กับคูบาอาจารย์ทั้งคอยคุมคอยเดินตรวจเดี๋ยวเห็นภาพไปทำนื่นทานี่ก็ขนานนะถ้าเห็นเดินจงกรมท่านก็เฉย เดี๋ยวถ้าไปที่สาลาร้าอมไปหยิบนูน่นหยิบนี่ไปทำ น, น, ทำนออู่นทำนี่แสดงว่านอกนู่นนอกาง